โยมวิชีทุกคนเนะาะก็ฟังทำเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมนิดนิดหน่อยหน่อยเนะเราจะปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เนาะแต่ว่าอาศัยการวางใจในการปฏิบัติธรรมเป็นหลักก็ได้นะคําพูดที่ได้ยินได้ฟังก็เป็นส่วนประกอบนะ่ะส่วนไหนที่มันสะ ด, ดุดหูสะดุดใจเนี่มันก็เก็บเข้ามาเองนะฟังเล่นๆ่นสบายสบายหรือใคร อยากจะฟังด้วยความตั้งใจก็ได้นะก็เราเลือกได้นะบางทีเราก็เลือกได้เลือกที่จะตั้งใจฟังหรือเลือกที่จะตั้งใจปฏิบัติธรรมก็ได้นะมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายการฟังที่ฟังแล้วก็จับใจความมันก็ได้ปัญญาที่เกิดจากการจำได้เกิดจากการคิดตามได้นะแต่บางทีการที่เราปฏิบัติธรรมไปนะสังเกตกายสังเกตใจของเราไปมันก็ได้ปัญญาที่เกิดจากการ เป็นปัญญาของการภาวนาโดยตรงกว่านะแต่มันก็ต้องอาศัยทั้งสองส่วนนะปัญญาในทางพุทธศาสนามาต้องอาศัยความเข้าใจทั้งเรียกว่าเกิดจากการฟังการคิดหรือว่าการประสบสัมผัสทั้งสองทั้งสามส่วนมาต้องเป็นส่วนที่ประกอบกันจะเข้าถึงจะเข้าไปเห็นได้โดยตรงถ้าไม่เคยได้ยินไม่เคยได้มีคนบอกทางเลยก็เข้าถึงได้ยากนะ เป็นคนที่ปฏิบัติภาวนาไปถ้าสมัยก่อนถ้าไม่มีผู้รู้ไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้คนก็อาศัยความเพียรอาศัยความมุมานะก็สแสวงหาทางพ้นทุกข์ของแต่ละคนถ้าไม่มีใครบอกทางก็ลงทิศลงทางกินไปสแสวงหาทางออกจากทุกข์ไม่เจอสักคนแต่พอพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้ขึ้นมาท่านก็ชี้ทางตรงๆชี้ทางที่ถูกต้องคนก็เดินตามตามทางที่ท่านบอกนะคนก็รู้ ธรรมะกันได้มากมายเลยนะพอบอกทางถูกเดินทางถูกนะก็ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปแต่ถ้าไม่มีใครบอกทางเลยก็ธรรมะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องงมนะงมทางกันเอาซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ปัญญาไม่ถึงก็เดินไม่ค่อยถูกลงทิศลงทางนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็โชคดีที่เกิดในสมัยพุทธกาลเกิดในสมัยที่เรียกว่า ศาสนาหรือว่าธรรมะยังมีคนบอกคนสอนคนสืบตามกันมาอยู่ก็ดวงพ่อผูู้บาอาจารย์ต่างๆท่านก็เรียกว่าถ่ายทอดธรรมะที่เกิดจากประสบการณ์ของท่านที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังหลักคำสอนของผู้พุทธเจ้าขึ้นมาแนละก็มาบอกทางเราทางที่เราเดินเนี่แหละเป็นทางที่อนุญาตเจ้ า, าทั้งหลายท่านเดินมาแล้วนะเดินมาแล้วตั้งแต่สมัยผู้พุทธเจ้าก็ดีจนตั้งถึงปัจจุบันก็ดี เกือบ 2,560 ปีเออเกือบ 2,600 ปีแล้วก็เดินทางเส้นนี้แหละนะทางเส้นนี้นะบางทีครูบาอาจารย์ท่านบอกเดินไปด้วยกั น, นแหละนะเดินไปด้วยกันแต่การเดินของแต่ละคนเนาะไม่ซ้ํากันหรอกนะเหมือนคล้า้ๆถนนนั่นแหละเหมือนถนนพอรถวิ่งผ่านไปสักคันหนึ่งตรงที่เขาวิ่งผ่านมันก็ว่างละนะมันก็โล่งไปเรื่อยๆนะทางเส้นนี้เดินได้หลายคนเดินไปไม่ซ้ํารอยกันหรอกนะ เดินไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางคือความไม่ทุกข์นะจุดมุ่งหมายปลายทางของเราคือความไม่ทุกข์นะต้องเดินให้ถูกก่อนต้องรู้ว่าอันไหนมันเป็นตัวทุกข์มันก็จะละจากความทุกข์ได้นะเราเดินทางเส้นนี้ไม่ให้เดินเพื่อให้เกิดเกิดความเรียกว่าเกิดอิทธิพัติหานเกิดความสุขเกิดการบางคนก็เดินเพื่อจะแก้กรรมบางคนก็จะเดินเอาเพื่อความสงบอย่างเดียวนะ ทางเั้นนี้เดินไปเพื่อสู่ความไม่ทุกขนะ์เราทุกข์ที่ตรงไหนล่ะเราก็ทุกข์ที่กายเราก็ทุกข์ที่ใจนี่แหละนะกายมันก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากเรียกว่าร่างกายนะร่างกายความทุกข์มันก็แก้ไขได้บรรเทาได้บางอย่างแต่บางอย่างก็แก้ไขไม่ได้บรรเทาไม่ได้ก็มีเนาะกายเราก็อาศัยบรรเทาบ้างรักษาบ้าง ตามเหตุตามปัจจัยนะแต่ใจเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้ในตัวที่มันทุกข์แก้ไขให้มันไม่ทุกข์ได้นะหลักของการปฏิบัติธรรมก็เป็นส่วนตรงนี้ก็คือเราคอยสังเกตสิ่งไหนที่มันทุกข์ถ้าสิ่งไหนมันแก้ไขบรรเทาได้เราก็แก้ไขแก้ไขบรรเทาแต่สิ่งไหนที่มันละได้ทันทีเราก็ละทันทีเลยโดยเฉพาะความทุกข์ทางใจนี่แนะเราทุกข์เพราะเราเผลอไปยึดนะ เิดไปสำคัญมั่นหมายว่าเนี่ยเราคิดนะเราโมโหโเราโกรธเราโรคเราหลงนะเราไปยึดกายว่าเจ็บว่านะเป็นตัวเราทั้งหมดนี่คือการที่เราขาดสติแล้วก็ลงไปยึดนะลงไปยึดแต่ถ้าเรามีสตินะมีสติก็คือการที่เราหลงไปยึดมันก็ถอนออกมานะถอนออกมาจากสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ ถอนการยึดมั่นถือมั่นหนะ่นึงคือถ้าเรามีสตินะเราก็ไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนคล้ายๆเหมือนเด็กนั่นแหละนะเด็กสมัยก่อนอหรือเด็กสมัยนี้ก็คงเหมือนกันก็คือว่าพอเวลาฝนตกแบบนี้เนาะฝนตกเด็กพอเห็นฝนเห็นคี้โคลนนะนะอยากจะลงอาไปเล่นฝนจากลงไปคุกขี้โคลนนะเด็กก็เป็นแบบนั้นนะคือเขาไม่รู้เขาก็ลงไปเล่นลงไปคุกนะแต่พอเราเป็นผู้ใหญ่เราดูแล้วนะ การเปียกฝ น, นมันไม่ดีการลงไปคุกคีโคนมันไม่ดีผู้ใหญ่ก็ไม่ไปลงไปคุกคีโคนไม่ไปตากฝนแต่ถ้าเป็นเป็นเด็กเขาไม่รู้เขาก็ลงไปเล่นนะไปเปียกไปคุกคีโคนนั่นนั้นตติของเราก็เหมือนกันหรือจิตของเราก็เหมือนกันเนาะจิตของเราถ้ามันไม่ผ่านการฝึกฝนมันก็จะคอยหลงไปตากฝนบ้างลงไปคุกโคนบ้างก็คือมันไม่รู้มันก็หลงไปคิดว่าตัวนั้นเป็นความสุข เะนั้นเป็นความสนุกนะจิตของเราก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะมันก็สนุกสนุกที่จะคิดนะพอความคิดเกิดขึ้นมาแล้วก็สนุกที่จะคิดตามความคิดนั้นไปจะเป็นความคิดที่ดีก็ตามหรือไม่แต่ความคิดที่ไม่ดีก็ตามนะบางทีเราก็สนุกสนุกไปจมกับความทุกข์ในอดีตสนุกไปอยู่กับความสุขในอดีตก็ดีหรือสนุกไปปรุงแต่งอนาคตว่ามันจะต้องสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ หรือบางทีเราก็กังวลอนาคตมันจะทุกข์หรือเปล่านะมันก็กังวลบางทีเราก็ไปเรียกว่าไปอยู่กับมันเนาะไปหลงปรุมกับมันนะคือเรียกว่าเราไปหลงสนุกกับเขาลงไปอินกับเขาทาั้งๆที่เรื่องส่วนใหญ่มันก็เกิดผ่านมาแล้วก็ดีหรือยังไม่เกิดผ่านมันก็ดีแต่เราก็ดึงเข้ามามาเป็นตัวปรุงแต่งเนะี่ยแต่ถ้าเรามีสตินะเราก็จะเรียกว่ารู้เท่าทันเนาะเราห้ามไม่ได้นะเราห้ามไม่ได้ ที่จคิดนึกปรุงแต่งแต่เราตัดการคิดนึกปรุงแต่งต่ว น, นั้นได้คือมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็อรู้เท่าทันว่าเราเผลอไปได้นะเนาะเผลอไปคิดเรื่องอดีตที่เราชอบที่เราไม่ชอบเผลอไปคิดเรื่องอนาคตที่เรากังวลใจก็ดีหรือเผลอไปปรุงแต่งวางแผนในอนาคตมากมายก็ดีเรารู้เท่าทันความเผลอตัว น, นี้ได้เนาะเราไม่ห้ามความคิดนะมันจะคิดเรื่องของมันแต่เราจะทําหน้าที่ รู้เท่าทันมันให้มากที่สุดนะเนี้ยถ้าเราวางใจในการปฏิบัติตรงนี้ได้นะเราก็จะไม่เครียดนะไม่เครียดที่เวลามันเผลอไปคิดนะเราสังเกตเวลาเราปฏิบททัติรรมมันจะเผลอไปคิดมากมายสารพัดมันเป็นเรื่องที่เราบังคับไม่ได้นะใช่ไหมพอเผลอไปคิดแต่ถ้าเราไปมีความปรุงแต่งคือเราไปไม่ชอบความคิดไม่ชอบความเผลอตัวนั้นแหละทําให้เกิดความทุกข์ไอ้ความคิดเฉยๆที่มันโผล่ขึ้นมามันยังไม่ทุกข์เท่าไหร่นะแต่การที่เรา เพอไปยึดนะเพอไปไม่ชอบตอนนั้นแหละทำให้เราทุกข์มากกว่าเก่านะเรามีหน้าที่พึงเคยดูมันเนาะรู้อาการปรุงแต่งของจิตแล้วก็มีสติกลับมารู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตแล้วก็มีสติกลับมาเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นใจมันเคลื่อนมันไหวตอนนั้นแหละคือคือหน้าที่ของเราเนาะคือหน้าที่ของการศึกษาเนี่ยแหละหน้าที่ของเราคือการศึกษาเนี่ยถ้าเรามองเห็นตอเนี้น มองเห็นว่าหน้าที่ของเราคือตรงนี้จุดหมายปลายทางของเราเนี่ยก็คืออย่างที่เราส่วนเมื่อกี้ว่าใครจะมองเห็นก็ตามซึ่งประโยชน์ของตนประโยชน์ของตนก็คือสู่ความไม่ทุกข์ของเฉพาะตนก่อนนะหรือว่าใครมองเห็นเพื่อประโยชน์ของคนอื่นก็ดีเพื่อจะเผยแผ่เพื่อจะแนะนํ ys, bosses, า, นาสั่งสอนคนอื่นเพื่อจะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นก็ดีหรือใครจะมองเห็นซึ่งประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ทั้งของตนก็ดีประโยชน์ทั้งของคนอื่นก็ดี ปรของส่วนรวมก็ดีนะมองเห็นตั้งไหนก็ได้เนาะมองเห็นตั้งไนก็ได้แต่ที่จริงท่านไม่ใช่บอกเพียงว่าให้เรามองเห็นหรือให้เรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิตเฉยๆแต่จริงท่านเคี่ยวเข็นเราด้วยเนาะเรามองเห็นแล้วตอนนี้คุณคุณของธรรมะธรรมะมันมีประโยชน์อย่างนี้กับตัวเองก็ดีกับคนอื่นก็ดีกับสังคมก็ดีเราไม่ใช่เพียงแค่มองเห็นแต่ท่านเคี่ยวเข็นให้เราต้องรีบเดินเนียนะอ่าก็คือต้องทํา ต้องทำสิ่งเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาทด้วยก็คือถ้ายังไม่ถึงจุดหมายปลายทางจะพักจะพักหรือจะถอยจะท้อนี่เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่เสียประโยชน์ได้ง่า ย, า ย, ายเนาะก็เรียกว่าท่านก็เคี้ยวเราด้วยนะเคียวว่าอย่าพักนะอย่าพักพักก็แค่ถ้ามันไม่ไหวจริงก็อาจจะพักแต่ก็อย่าถอยนะอย่าถอยเป้าหมายของเราคือความไม่ทุกข์ถ้าเราถ้าพวกเราเรายังไม่ถึงเป้าหมายก็อ่า ไม่พึงพักก็ดีหรือพักแล้วก็อย่าถอยต้องรีบเดินนะต้องรีบเดินเพราะว่าบางทีเปียบเหมือนคล้ายเราลอยคออยู่กลางแม่น้ำก็ดีกลางมหาสมุทรก็ดีนะบางทีมันก็โดนคลื่นพัดนะแม่น้ำก็ไหลไหลลงตามไปเรื่อยถ้าเราพักถ้าเราถอยเราก็ไหลลงตามไปเรื่อยเนาะแต่ถ้าเราไม่พักนะเราไม่พักเราก็พยายามเดินทางต่อไปเรื่อยนะนเราก็จะ พบว่าบางทีการเดินอย่างจังหวะสม่ําเสมอมีความเพียรสม่ําเสมอความเพียรที่จะดูกายความเพียรที่จะดูใจ บ, บ่อยๆทุกเวลาทุกนาทีเนะี่ยจะทําอิรยาบถไหนก็ดีมีความเพียรที่จะทําที่จะดูทั้งนี้แหละนะความเพียรไม่ใช่แค่ว่าเดินหามลุ่งหางค่ํายกมือหามลุ่มหางค่ําไม่พักไม่รับไม่นอนอันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นความเพียรทางกายนะแต่จริงพระพุทธเจ้าท่านเน้นความเพียรทางจิตเป็นหลักก็คือจิต ที่มีความรู้สึกตัวนะจิตที่พยายามจะรู้กายจิตพยายามที่จะรู้ใจตัวนี้คือความเพียอรอยิยาบทคนอื่นอาจจะไม่รู้นะว่าเรากำลังดูจิตของเราอยู่อิยาบทบางทีคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าเรากำลังดูลมหายใจดูกายที่เคลื่อนไหวอยู่แต่จริงตัวผู้รู้ที่มันคอยดูอยู่ น, ะนั่นก็คือความเพียรอย่างแท้จริงถ้าเรามันประกอบความเพียตรตัวนี้ได้เนาะนะเราก็จะเห็นว่านะ การเดินทางเรามันกค่อยๆเดินไปค่อยๆเดินไปสู่เป้าหมายนะคือความไม่ทุกข์นะมันก็มีความไม่ทุกข์อยู่สองข้างทางอยู่แล้วแล้วนะที่จริงเราไม่ได้รอไม่รอความเป้าหมายคือความความไม่ทุกข์โดยสิ้นเชิงหลักที่จริงเราเดินไปแต่ละขณะเนอะมันก็ไม่ทุกข์อยู่ทุกขณะอยู่แล้วถ้าเรามีสติอยู่หนึ่งขณะจิตจิตของเราก็ไม่ทุกข์อยู่หนึ่งขณะจิตอยู่แล้วเนาะอัศจรรย์ของธรรมะก็เป็นแบบนี้แหละ ปฏิบัติทำเลยนะได้ผลทันทีนะได้ผลทันทีทุกขณะที่เราปฏิบัติถูกมันเกิดผลของการปฏิบัติทุกครั้งไปเลยนะเนี่ยก็ให้พวกเราได้ลองไม่ได้ลองพยายามกระทำความเพียรด้วยความไม่ประมาทนะมีเป้าหมายในการใช้ชีวิตก็คือมุ่งสู่ความไม่ทุกข์ของตนก็ดีหรือมุ่งที่จะช่วยคนอื่นก็ดีนะเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราแต่เราก็ต้อง แต่อัศจรรย์ของพุทธศาสนาคือที่จริงเราอาจจะมองเป้าหมายของตนก็ดีเป้าหมายของส่วนรวมก็ดีแต่พอทําไปนะทําไปมันได้ประโยชน์ทั้งทั้งหมดเลยจะเป็นประโยชน์ของตนก็ดีประโยชน์คนอื่นก็ดีประโยชน์ส่วนรวมก็ดีมันรวมกันในที่เดียวกันนะถ้าเราไม่ทุกข์เราก็เป็นส่วนประกอบให้คนอื่นไม่ทุกข์ได้นะถ้าเราไม่ทุกข์คนอื่นก็เห็นเราเป็นตัวอย่างเขาก็อาศัยเราเป็นตัวอย่างในการทําความเพียร อาศัยคำพูดอาศัยกิริยาของเราเป็นตัวอย่างในการเดินทางสายนี้ก็ได้หรือเราจะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นนะเราก็เป็นการช่วยเหลือตัวเองด้วยบางทีเอ่เรียกว่าการที่เรามีจิตที่จะเมตตากรุณาช่วยเหลือคนอื่นเสสะสระความเห็นแก่ตัวไม่เห็นแต่แก่ไม่เห็นแก่ตัวมากนักนะเรามีความเมตตามีการช่วยเหลือมีความ อะไรต่างๆช่วยคนอื่นก็เป็นการละการวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนของตัวเองระดความตนหนีทีเหนียวระดัความขี้เกียจขี้ค้านนั้นๆไปมันก็เป็นการช่วยตัวเองไปด้วยนะการช่วยคนอื่นก็เป็นการช่วยตัวเองด้วยการช่วยตัวเองก็เป็นการช่วยคนอื่นด้วยนะแต่ในทางพุทธศาสนาบางทีคําพูดอาจจะแยกจากกันแต่จริงกิริยาหรือการกระทำนะไม่เป็นตัวเดียวกันนะคำพูดที่แยกว่าประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านประโยชน์ส่วนรวมเป็นคำพูดเฉยๆแต่จริงในการกระทำของคนที่เดินทางธรรมะเนาะอ่ามันเป็นการกระทำตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะมันแยกไม่ออกนะแยกไม่ขาดจากกันมันดเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะมองคนละมุมมองคนอาทิตย์เฉยๆแต่จริงมันเป็นเนื้อเดียวกันนะเป็นเนื้อเดียวกันนะเหมือนไมโครโฟนนั่นนะถ้าเรามองมุม โยมมองมุมนี้ก็จะเห็นอีกมุมนึงอตาตมามองมุมข้างบนมาก็จะเห็นไมโครโฟนอีกมุมนึงมันแตกต่างกันไปได้จริงไมโครโฟนมันก็เป็นเป็นของมันอย่างนี้แหละนะธรรมะก็เหมือนกันธรรมะมันก็เป็นของของเขาอย่างนี้นแหละมันเกิดทั้งประโยชน์ส่วนตัวเกิดทั้งประโยชน์ส่วนรวมอ่ามันเป็นวันนี้พบเลยว่าอือ่าธรรมะมันให้ความน้องเย็นแก่ตัวเองให้ความน้ําเย็นแก่คนอื่นด้วยนะนะก็พยายามให้พวกเรา เป็นกันยานมิตรกันเนาะศึกษาธรรมะด้วยกันอยู่เป็นเพื่อนเป็นมิตรถึงไหนที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็พยายามทําให้มันเต็มที่นะถึงไหนที่เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ก็พยายามระวางให้มันน้อยลงนะสิ่งไหนที่มันก่อให้เกิดกิเลสมากขึ้นนะก่อให้เกิดกิเลสมากขึ้นหรือบางทีเราก็รู้ว่ามันเป็นกิเลสแต่ทีเราก็ละไม่ได้ก็พยายามแข็งใจสักหน่อยเนาะแข็งใจสักหน่อยถ้าเราไม่แข็งใจ ทำตามกิเลสบ่อยๆนะเจิตใจแล้วก็อ่อนแอไม่เข้มแข็งนะบางทีก็รู้อ่ะมันมีความอยากเป็นตัวนําพาให้เราทําแต่ถ้าเราไม่เข้มแข็งครั้งนี้เนาะบางทีเรามันก็จะแพ้มันได้เรื่อยๆแพ้มันได้ไบ่อยๆแต่ถ้าเราเข้มแข็งครั้งนี้แล้วก็เออชนะมันได้ครั้งนี้ครั้งต่อไปเราก็ชนะมันได้อีกนะเนี่ยคือความเข้มแข็งของจิตนะถึงการปฏิบัติทําเดียวการทำมะใหเฉยๆมันจะดูเฉยๆไม่ได้นะ รู้ว่า น, นี้ดีดูนี้ถูกดูนี้ผิดนะรู้เฉยๆคนส่วนใหญ่เขาก็รูนะแต่ตัวที่จะวัดตัวที่จะเรียกว่าเป็นคุณภาพของจิตก็คือจิตมันต้องมีกำลังในการที่จะทวนกระแสทวนกระแสกิเลสอ่านทะวนที่จะไม่ทำตามความคิดทำตามอารมณ์ทำตามสังขารการปุงแต่งตอนนี้การที่จะทวนในนี้ได้ต้องอาศัยการมีสติการมีคันติมีความอดทนอดกัน้ตนตัวนี้ เป็นคุณธรรมนะเป็นคุณธรรมซึ่งคิดเอาไม่ได้แต่ต้องอาศัยการพัฒนาให้มันมากขึ้นให้สติมันมีกำลังมากขึ้นให้ขันติมันมีมันมีกำลังมากขึ้นให้ความอดทนมันมันเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยเเราต้องฝึกตรงนี้นะฝึกตรงนี้เราถ้าเราไม่ฝึกมันไม่เกิดนะจะรู้จะเฉยไม่ได้นะรู้ว่านี้ถูกรู้นี้ดีรู้จะเฉยไม่ได้นะต้องอาศัยการฝึกพุทธศาสนาก็เลยเป็นศาสนาแห่งการฝึก การฝึกให้มันเกิดขึ้นนะไม่ใช่การที่ขอให้คนอื่นมาช่วยไม่ใช่การแค่หวังผลวังผลนะบางทีเราปฏิบัติธรรมแล้วก็หวังทางดั้มากเกินไปนะบางคนหวังไปหาครูบาอาจารย์เผื่อได้ยินธรรมะเด็ดๆเราจะทะลุโป่ปปงทันทีนะขอให้ครูบาอาจารย์ช่วยตะกิดให้อเนะี่ยบางทีเราก็ไปหวังหวังพึ่งครูบาอาจารย์มากเกินไปนะศาสนาของเรานะอาศัย การพึ่งตัวเองเป็นหลักนะครูบาอาจารย์เอาไว้เป็นแค่หมาถึงว่าเดินไปตันจริงๆไม่ไหวจริงๆอ่ไปขอให้ท่านช่วยนะเราอย่าไปใช้ครูบาอาจารย์มากนะอ่าอาศัยท่านเทศเอาศัยท่านกระทําให้ดูนันะก็พอละนะที่เหลือเราต้องปฏิบัติคนเองถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะค่อยพึ่งครูบาอาจารย์ให้ท่านคอยสกิจค่อยค่อยเตือนค่อยชี้ทางให้นะแต่จริงบางคนครูบา ที่จริงครูบาอาจารย์ท่านเตือนท่านชี้ทางอยู่แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่เห็นตัวเองว่าเราหลงทางจริงๆเราไม่ไหวจริงนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราเดินทางตันเดินทางผิดนะท่าน อ, อาศัยตัวเองเตือนตัวเองนะเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเป็นเรื่องที่ต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักนะต้องพึ่งต้องพึ่งปัญญาของเราต้องพึ่งการพิจารณาในตัวเราด้วยเนาะอย่าใส่อย่าใส่แค่ครูบาอาจารย์คอย ่อยเตือนคอยบอกคอยกล่าวเราต้องอาศัยเตือนตัวเองให้เป็นหลักแล้วก็พิจารณาคําพูดของครูบาอาจารย์มาเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติธรรมของเราอยู่หนึ่งเนืองนะ่ยการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ไกลเกินไปเพราะจริงปัญญาของพวกเรามีอยู่แล้วนะหูตาของเราก็เห็นอยู่แล้วครูบาอาจารย์ท่านทําอย่างไดท่านพูดอย่างไรเราได้เห็นเราได้ยินอยู่แล้วแต่สิ่งสําคัญที่สุดเราต้องมาสรุป การปฏิบัติของเราให้ได้นะการปฏิบัติธรรมของเรามันตรงกับที่ครูบาอาจารย์พูดหรือเปล่าการปฏิบัติธรรมของเรามันตรงกับที่เราเห็นคาารูบาอาจารย์ท่านทำหรือเปล่านะเราต้องมาสรุปตัวเองแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ตัวเราเองนั่นะเป็นหลักก็ฝากให้เราเป็นที่พึ่งของเราเนาะเป็นที่พึ่งพึ่งตัวเองให้ไดนะ้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้ด้วยนะก็จะเป็น สิ่งที่ดีมากๆในการที่อยู่สุก โ, โตนะก็ฝากกันไว้เป็นข้อคิดเป็นธรรมะนิดๆหน่อยๆ ใ, ในเย็นวันนี้นะก็